ที่วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาเริ่มศึกษาธรรมะจากหนังสือกันเราจะมาศึกษาหนังสือเรื่องเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลชื่อเด็ดขาดนะเปิดมาหน้าแรกเขาก็บอกว่าเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลว่าด้วยเรื่องหลอกใครก็หลอกได้ แต่อย่าหลอกตัวเองแล้วเขาก็เริ่มด้วยคานาสานักพิมพ์เขาก็บอกว่าเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลเป็นผลงานในแนวจิตวิทยาเชิงพุทธอีกเล่มหนึ่งของซิเนรุซึ่งได้วิเคราะห์พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคนเราไว้อย่างน่าสนใจและอย่างรู้เท่าทันกิเลสประดามีทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมของมนุษย์ ท่านจะรู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้นเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ฟ้าอาภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผละจะให้แนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขแก่ท่านและหากท่านสนใจงานเขียนของซีเนรุในแนวนี้เรายังมีผลงานอีกเล่มหนึ่งของเขา ที่ได้พิมพ์จำหน่ายแล้วคือดังเผาใจให้เป็นถุยผงแหมชื่อเขาแต่และชื่อนี่นะซึ่งบาด้วยความกโกรธธรรมชาติของมนุษย์ที่พอมีทางเอาชนะได้นะเราเชื่อว่าหากอ่านด้วยความพินิจพิ จ, จรารณาท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือชุดสัญชาตแห่งคนตรงทั้งสองเล่มนี้ดังที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่า รู้อะไรไม่สู้รู้วิรู้อวิชชามันต่างกันตรงรู้รู้อะไรไม่สู้รู้อวิชชานะน่คือรู้ความโง่พูง่ายนะรู้ความโง่แทนที่จะต้องไปรู้ฉลาดเนี่ยรู้ตัวโง่ให้ได้ก่อนแล้วทำลายอวิชชาอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเพื่อความสุขเย็นนิรันดร ลงลงท้ายด้วยว่าด้วยความปรารถนาดีบริษัทฟ้าอาภัยจำกัด อ, อันนั้นเป็นทางสำนักพิมพ์เขาเป็นคำนำตอนนี้ตัวผู้เขียนเองนะซีเนรุเขาเกล่นนำว่าเป็นเนื้อหาในภาคที่หนึ่งของสัญชาติแห่งคนตรงที่เอาวิชาจิตวิทยาว่าด้วยหมวดกลไกลป้องกันตัวเองอวงเล็บภาษาอังกฤษ d e เฟนแมชชีนิซึมนะมาวิเคราะห์แยกแยะและยกตัวอย่างแห่งพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเจตนาแห่งการวิเคราะห์เขียนเรื่องนี้ก็ด้วยเหตุผลสองประการคื อ, อ, อ 1. เพื่อจะได้รู้ทันและเข้าใจตัวเองยิ่งขึ้น 2. เพื่อจะได้ไม่รีบด่วนสรุปนิสัยของคนอื่นที่เรายังคบหาเร็วเกินไป ะนี่คือเป้าประสงค์สองข้อข้อที่1นึงคือให้เข้าใจตัวเองยิ่งขึ้นรู้ทันนะคือไม่หลอกตัวเองนั่นเองนะข้อที่สองก็คือว่าอย่ารีบด่วนสรุปคนอื่นเขานะรู้ทันตัวเองแล้วก็อย่ารีบด่วนสรุปคนอื่นก็คือต้องรู้เท่าทันคนอื่นให้ถูกต้องนะไม่ใช่ยังไม่ทันรู้จริงอะไรเลยแล้วเราก็สรุปคนอื่นเขาแล้ว ไอ้อย่างนั้นแสดงว่าเราก็หลอกตัวเองอีกเหมือนกันนะเหตุผลข้อแรกนั้นความสุขของชีวิตประการหนึ่งก็คือการเข้าใจตัวเองคนเราหากเข้าใจตัวเองเสียแล้วย่อมเปรียบเสมือนการเดินทางไกลโดยปราศจากเข็มทิศโอกาสหลงทางมีมากเหลือเกินเขาจะทําร้ายตัวเองซ้าเติมตัวเองแล้วแล้วเรา นะอันนี้เป็นข้อที่1เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยควรที่จะเข้าใจตัวเองให้ได้นะความสุขประการที่2คือการได้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองบนเส้นทางแห่งความพ้นทุกนั้นหากรังเกียจที่จะรู้จุดบกพร่องของตัวเองคนผู้นั้นก็คือผู้ทำลายตัวเองอย่างโหดเหี้ยมและนั่นคือนักต่อสู้ที่ขี้ขลาดตาขาวที่สุด ความเจริญก้าวแน่แห่งจิตวิญญาณได้หมดหวังเสียแล้วอันนี้เป็นข้อที่2องนะที่เขาบอกว่าความสุขประการที่2คือน่าจะรู้จุดบกพร่องตัวเองนะข้อแรกเขาบอกว่าอะไรอะ่ะควรจะเข้าใจตัวเองข้อที่2ควรรู้จุดบกพร่องตัวเองเหตุผลข้อที่2พฤติกรรมหลากหลายแห่งคนเราจะสรุปอย่างไร คนเราเวลาหัวเราะไมิใช่จะแปลว่ามีความสุขเสมอไปทุกมากมากก็อาจหัวเราะได้เอ๊ะเป็นไปได้ป่ะทุกมากมากหัวเราะได้ไหนใครบ้างไหนในที่นี้เอาในที่นี้ก่อนใครบ้างทุกมามากแล้วหัวเราะ <c oughs> เออถ้าถึงขั้นนั้นนะส่วนมากส่งไปอโศกสามสี่ห้าแล้ว กนะ็ส่วนใหญ่ปกติทุกมากๆมันก็ร้องไห้เศร้าหรือว่าซึมใช่ไหมแต่ถ้าถึงขั้นหัวเราะเนี่ยส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วล่ะในทางกลับกันแม้ขณะร้องไห้ก็ใช่จะเสียใจคนที่ร้องไห้ยามดีใจก็มีมากมายอันนี้เป็นไหมใครเป็นบ้างนะฮะดีใจแล้วก็ร้องไห้ ทีจ่จริงที่จริงมันไม่ใช่ร้องไห้หรอกนะมันอาจจะเออเป็นน้ําตาไหลออกมาเออเป็นน้ําตาแห่งบิตติแต่ว่าคนที่เขาดูภายนอกเขาก็อาจจะบอกว่าร้องไห้สิ่งที่เห็นด้วยตาจึงไม่ใช่แปลว่าสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เห็นอาจหมายถึงสิ่งที่เห็นก็ได้เออนี่มันใช่จะเริ่มจิตวิทยาแล้วนะฟังใหม่ฟังใหม่ สิ่งที่เห็นด้วยตาจึงไม่ได้แปลว่าอาจมาขอเพิ่มไปตัวหนึ่งเถอะนะสิ่งที่เห็นด้วยตาจึงไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่เห็นนะและสิ่งที่เห็นอาจหมายถึงเป็นสิ่งที่เห็นก็ได้แม่ชักมือเนะข้าใจไม่เนี่ ย, ยฮะเข้าใจไหม สิ่งที่เห็นด้วยตาตอนแรกนะเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยจึงไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เห็นเห็นอะไรเอาว่าเห็นสิ่งที่เป็นนั้นนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดอาจจะตรงข้ามกับที่เราคิดนะแล้วก็สิ่งที่เห็นอาจหมายถึงสิ่งที่เห็นก็ได้หมายถึงคราวนี้เห็นแล้วมันเห็นจริงตามนั้นมันถูกต้องนะเพราะฉะนั้น เขากำลังพูดว่ามันมีทั้งสองมุมไอ้ที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันมีทั้งสองมุมนะเราคือหมายความว่าเราเนี่ยจะดวนสรุปมุมใดมุมมุมเดียวเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้มันอาจจะเป็นมุมตรงข้ามก็ได้ด้วยเหตุนี้การคบหากับเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งหลายการเพ่งโทษการถือสาจะลดลงไปความบาดหมางแตกร้าวจะไม่เกิดง่าย พฤติกรรมใดที่แสดงออกจากคนรอบข้างเมื่อตั้งใจเรียนรู้ก็จะทําให้เราเข้าใจและเห็นใจเขามากขึ้นคืออันนี้ถ้าเราไม่สรุปคนอื่นง่ายๆนะเรามองอะไรเนี่ยพยายามมองความจริงตามความเป็นจริงนะคำนี้ต้องจําไว้เสมอถ้าเป็นของพุทธเราเนี่ยนะเราจะใช้คําว่าเวลามองอะไรนี่ให้มองความจริง ตามความเป็นจริงให้ได้ฟังดูนะมองสิ่งนั้นอะ่ะมองให้ได้ความจริงแล้วมองความจริงนั้นให้ได้ตามที่มันเป็นจริงด้วยนะอย่ามองความจริงนั้นอะ่ะตามที่มันตามที่เราคิดเองหรือตามที่คนอื่นบอกให้เราฟังนะหรือตามจากที่เราไปรู้มาจากที่ไหนก็แล้วแต่ไอ้อย่างนั้นเราไม่ได้มองตามความเป็นจริงแต่อันนั้นเรามองตามความนึกคิด ตามอะไรที่เราได้ข้อมูลมาเพรา ะ, ะนั้นบางอย่างนี้ได้ข้อมูลมาเนี่ยแล้วเรารีบสรุปไปตามข้อมูลนั้นเนี่ยมันพลาดได้เพราะบางทีเนี่ยสิ่งไหนที่เราจะสรุปได้ดีที่สุด <Okay. S 1> นะถูกต้องมากที่สุดเนี่ยมันต้องได้ข้อมูลมามากที่สุดแต่บางทีเราได้ข้อมูลนิดเดียวเนี่ยเรารีบสรุปแล้วโดยเฉพาะเรื่องนั้นเนี่ยเราเองเรายังไม่มียานปัญญาจริงนะไม่มียานอย่างรู้จริง ถ้าเราไม่มียานอย่างรู้จริงเนี่ยเรายิ่งสรุปเนี่ยยิ่งผิดพลาดได้มากเพราะฉนั้นเนี่ยในชีวิตประจํายวันเราเราทำงานกับใครเนี่ยคนรอบข้างไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เราไปเจอเจอนะหรือทํางานกับกับคนที่เราเอาชอบมัง่งไม่ชอบมั่งก็แล้วแต่นะเรามักจะสรุปอยู่เรื่อยอันนี้จะต้องระวังตัวเองอยู่เรื่อยว่าจิตมันชอบสรุปสรุปสรุป คนที่เราชอบเรามักสรุปในทางที่เอในทางที่ดีอยู่เรื่อยเลยบางทีเน่ะเขาทําผิดนะแต่เราสรุปแบบเข้าข้างอ่ะเพราะว่าอย่างนี้แหละที่มันเกิดอคติสีขึ้นมาอคติสีมีอะไรบ้างหนึ่งลำเอียงเพราะรักสองลำเอียงเพราะอาชังสามลำเอียงเพราะหลงอา้าวสี่ลำเอียงเพราะเอเพราะกลัว เพราะนั้นมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาตามที่คนนั้นนะ่ยมีจิตยังไงก็จะไปตามจิตเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทําไมบางทีเราต้องมาฝึกทือศีฝึกสมาธิฝึกจิตให้มันตั้งมั่นนะให้จิตมันสงบเวลาในการพิจารณาเรื่องอะไรเนี่ยก็เพื่อที่จะให้กิเลส ข, ของเราเองเนี่ยมันเข้าข้าง ตามความชอบความชังอะไรของเราเนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะตาบใจที่คนยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์นี่นะคนนั <ixo> ้นต <t iny manifest ated> ัดส yes, ินอะไรเนี่ยเชื่อไหมว่ามันลาเอียงทั้งนั้นเนี่มันลาเอียงทั้งนั้นแหละมันยังไม่มีถูกต้องจริงๆหรอกจนกว่าจะถึงขั้นเป็นพระอรหันต์น่ะถึงจะตัดอคติสีนี้ออกไปได้เพียงแต่ว่าเราจะเอียงให้อะไรเท่านั้นเองถ้าบางทีเราอาจจะเออ ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็เอียงให้กับธรรมะใช่ไหมแ ล, ไแล้วไงเราก็ถือธรรมะเป็นใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่ามัชชิมาทางสายกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ก็จะต้องหมายถึงเวลาเราพิจารณาหรือเราตัดสินอะไรมันถึงต้องลําเอียงเข้าข้างธรรมะเอาธรรมะเป็นใหญ่นี่ถึงจะเป็นมัชชิมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีลําเอียงเลยยิ่งตาบใดโอ้โหคนเป็นพระน า, ารยากอะ่ะ ใช่ไหมแล้วขนาดเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี่ยังต้องลำเอียงให้กับธรรมะอยู่ดีก็คิดดูเอาก็แล้วกัน <c oughs> แต่ที่ไม่ลำเอียงเนี่ยพระอาหารหันต์เพราะว่าท่านไม่มีอคติสี่อย่างนี้เข้าใจไหมท่านไม่มีตัวว่ารักตัวชังนะตัวกลัวตัวหลงอะไรพวกนี้วันท่านก็พยายามตัดสินให้มันซื่อตรงที่สุด นะเนี่ยสัญชาติของคนตรงให้มากที่สุดแต่ว่าตรงโดยที่ให้เป็นไปทางธรรมะให้ไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนคนไหนมาให้เราตัดสินเนี่ยเราก็ต้องตัดสินเข้าไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นตัดสินในทางที่ดีเนี่ยถ้าใครทำผิดมาเราก็ต้องตัดสินผิดเหมือนกันใครทำถูกมาเราก็ตัดสินถูกแต่คราวนี้เนี่ย ถ้าเป็นพระอาหารท่านก็ต้องตัดสินได้อย่างเป็นกลางที่สุดส่วนลดลงมาถ้าใครเป็นพระนาคามีใครเป็นพระสะกิทาคามีใครเป็นโสดาบันก็ตัดสินต่ําลงมาเรื่อยตามภูมิของเราเพราะเราก็จะมีความรักความชังความหลงความกลัวอะไรพวกนี้อยู่ในใจเรามากเพราะงั้นการตัดสินของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงเพราะทําไมพระเจ้านี่บางทีท่านถึงได้ตัดแบบว่ายกเอาไว้ให้ ทำไมเราจะต้องเชื่อคนที่มีสูงมีศีลสูงกว่าเราเพราะคนที่ศีลสูงกว่าเราเนี่ยกิเลสน้อยกว่าเราเพราะการตัดศีลอะไรเนี่ยยังไงก็ตามลำเอียงน้อยกว่าเราซึ่งถ้าเราเรามีกิเลสมากกว่าหรือว่าเรามีศีลที่ต่ากว่าอันนี้แหละจะเป็นจุดที่จะทําให้เราเนี่ยถึงถึงแบบว่า อนุโลมหรือว่าไม่ไปถือสาคนรอบข้างได้เพราะเราเข้าใจสัจธรรมอันนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าอยากจะสรุปสั้นๆว่าความล้มเหลวของชีวิตคนเราเกิดขึ้นก็เพราะเราอยู่กันอย่างถือสามากกว่าศึกษาเราอยู่กันอย่างคิดว่าใครจะทำประโยชน์ให้แก่ใครมากกว่าคิดว่าเราจะทำดีกับใครทัศนคติแบบนี้ คนเราจึงมืดบอดตลอดนานแสนนานกระทั่งทำตัวเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่นก็ไม่รู้ตัวเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหลายก็ไม่เข้าใจนี่จึงคือคนที่น่าสงสารอันแท้จริงก้มมองตัวเองมาศึกษาตัวเราดีกว่าเห็นบาดแผลเรื้อรังให้ได้และรักษาอย่างใจเย็นขอตั้งจิตปรารถนาดีให้ผู้อ่าน อย่าได้มีพฤติกรรมเป็นดุดดังลูกทุเรียนในสังคมเลยเพราะนั่นคือการทำร้ายตัวเองและทำลายผู้อื่นด้วยหนาแหลมของตัวเองอย่างน่าเศร้าซิเนรุสามกุมภาพันธ์2อ3 1้าเขาเปรียบทำลายตัวเองเหมือนกับลูกทุเรียนหมายความว่าไงฮะ อ่าทุเรียน ม, มันมีหนามมัรู้อยู่แล้วหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาปลูกพันธุ์ใหม่ได้แล้วทุเรียนไม่มีหนามเลยนะมันทำร้ายตัวเองอยังไง <c oughs> อ้าวนี่เขาบอกอะ่ะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเพราะนั่นคือการทำร้ายตัวเองและทําลายผู้อื่นด้วยน้ําแหลมของตัวเองอย่างน่าเศร้านะทุเรียนมันทำร้ายตัวเองอยังไง เป็นยังไงล่ะเปล่าเขาทำไมเข้าไปเปรียบกับไอทุเรียนเนี่ยแล้วก็มันมีหนามทุเรียมทำร้ายตัวมันเองข้างในไม่อร่อยก็ใครเข้าไปกินเปลือกทุเรียนบ้างล่ะแม่เขาก็ <c oughs> <c oughs> ต้องกินในเนื้อทุเรียนข้างในโอ้แม่ะ น้ำมันไปแทงคนอื่นเอะไรน้ำไปแทงคนอื่นเพราะอะไรเวลาเราบอกทุเรียนเอา้วไงอ๋อพอปอกยากน้ำมันแทงมือเราเอาเราเลยเราเลยเจ็บมือเราเลยเจ็บใจเราเลยเจ็บใจเราต้องกินไอ้ทุเรียนให้หมดลูกเหรอเอ้าจริงๆเป็นอย่างนั้นเหรอเนี่ยเนี่เหรอแบบว่า ก็เปรียบเหมือนกับลูกทุเรียนเขาบอกเออจริงจริงมันไปที่ตาเขาเรอไอ้ทุเรียนเนี่ยฮะอะไรนะอ่คนเราคนเราไปจับมันเองอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันมันอยู่ดีดีมันไม่จะมาเที่ยวไล่ตำใครเขาหรอก ก็นั่นนะเขาเปรียบคนเหมือนกับลูกทุเรียนเนี่ยอ่าแน่นตีความถูกก็แบบนี้เ <c oughs> อาฟังใหม่ฟังใหม่ขอตั้งจิตปรารถนาดีให้ผู้อา่านอย่าได้มีพฤติกรรมฟังหน้าพฤติกรรม เป็นดุดดังลูกทุเรียนในสังคมเลยพฤติกรรมเป็นดังลูกทุเรียนไอ้ลูกทุเรียนมันมีพฤติกรรมอะไรก็ <c oughs> เขาบอกแล้วนะเป็นจิตวิทยาเชิงพุทธ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามตีความให้ให้เป็นพุทธให้ได้ดไทุเรียนปกป้องตัวเองด้วยน้ํามอะมันปกป้องตัวเองก็ดีแล้วสิ อเออนะชักเขาา้าท่านะชักเขา้าลานะเนี่ยให้ผู้อ่านอย่าได้มีอย่าได้มีนะฟังด้วย้ดีอย่าได้มีพฤติกรรมเป็นเป็นดุดดังลูกทุเรียนในสังคมเลยเพราะนั่นคือการทำร้ายตัวเองและทำลายผู้อื่นด้วยน้ำแแหลมของตัวเองอย่างน่าเศร้านะ เมื่อกี้พูดมาก็เข่าท่าเหมือนกันนะที่นิ่มก็พูดมานะมันก็เหมือนกับกับทุเรียนมันมีหนามแหลมจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนมันมันไม่ได้ไปคิดจะไปทําร้ายทําลายอะไรใครหรอกถ้าถ้าโดยโดยรูปทุเรียนจริงๆแต่ตอนนี้เมื่อเขาเปรียบกับพฤติกรรมของคนนะคนเราเนี่ยพฤติกรรมจริงๆแล้วปกติมักจะปกป้องตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะอะไรอ่ะมีหอกมีดาบ บอกเี๋ยนี้เขาใช้ปืนแล้วนะมีปืนเออมีระเบิดนะพอเวลาใครจะมาทำอะไรหรือว่าแหลมเข้ามานี่พฤติกรรมป้องกันตัวเราเองก็คือเรามักจะอทาําร้ายคนอื่นก่อนถ้าโดยสังคมเนี่ยสังคมทั่วไปเวลาเ็าจะป้องกันเนี่ยเหมือนกับไปเจองูเนี่นะจะป้องกันงูก็คือข้างงูก่อน หรือว่าไปเจออะไรใครอ่ะมันมันเป็นสังคมที่มันหวัดระแวงนะสังคมที่หวัดระแวงพอเจออะไรที่เราเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยปับ๊บเราทําร้ายเขาก่อนเลยเพราะฉนั้ทุเรียนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับสังคมที่มันมันคล้ายๆว่าต้องเป็นอย่างเนี้ยนะแต่ในขณะที่ทําร้ายคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการทําร้ายตัวเองนะยิ่งมีจิตที่หวาดระแวงยิ่งมีจิตที่กลัว ยิ่งจะป้องกันตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไอความโลภความโกรธหรือว่าความหลงมันก็ยิ่งเกิดกับคนนั้นเนี่ยมากเข้ามากเข้ามากเข้าคือเขาจริงๆริงเขาคิดว่าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเองจะเป็นสุขเข้าใจไหมคิดว่าตัวเองจะเป็นสุขแต่ความจริงแล้วมันมันทำลายคนอื่นและในที่สุดไอผลมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเองมาทำร้ายตัวเองอีก สมมุติว่าถ้าทุเรียนมันมีชีวิตจิตใจนะไอ้ลูกทุเรียนเนี่ยสมมติว่ามันมีชีวิตจิตใจจริงๆมันมีหนามก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครมากินเนื้อของมันใช่ไหมอ่ามันมันก็ป้องกันอันนั้นก็เหมือนคนเราเนี่ยคนเราเนี่ ย, ยอยากจะมีความสุขใช่ไหมเขาใช้ภาษาว่าอะไรรักสุขเกียดทุกนะคนเราเนี่ยปกติรักสุดแล้วก็เกียดทุก เพราะเมื่อต้องการความสุขเนี่ยนะก็เลยเที่ยวขวาคว้าเอามาจากคนโน้นคนนี้คนนั้นอะไรต่างต่างนานานะนะคือจะเอารัดเอาเปรียบเรื่องการงานเรื่องเงินทองเรื่องลาบยศสรเสริญอะไรก็แล้วแต่เพราะฉนั้นก็เลยจะป้องกันตัวโดยอย่างนี้แหละโดยที่พยายามกอบโกยเข้ามาให้ตัวเองมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เท่ากับไปเอารัดเอาเปรียบใบทำร้ายทําลายสังคมแทนที่จะเสียสลายมา เพราะโลกๆเนี่ยมันจะเอาเปรียบมาอย่างนี้เพราะจริงๆเป็นการป้องกันตัวเองแบบนี้แต่ไอ้ที่ทำอย่างนี้แหละมันทําให้สังคมมันวุ่นวายทําให้คนอื่นก็ยิ่งเอาทัดเอาเปรียบจนกระทั่งในที่สุดแต่ละคนก็ไม่มีใครจะยอมเสียสละให้ใครไม่มีการเป็นผู้ให้แต่จะเป็นผู้เอาอยู่เรื่อยๆเพราะฉนในที่สุดผลที่จะทอนกลับมาคือสังคมมันเสื่อมสังคมมันเลวร้ายแล้วคราวนี้ก็กินกันเอง คนมีแต่เอาเปรียบมีแต่เอาเปรียบในที่สุดมันก็จะมีแต่คนเอาเปรียบสังคมกัโอ้โหเลวร้วายโหดร้ายหวาดระแวงกัน <c oughs> อ่ะตอนนี้พอหน้าต่อมา <c oughs> เขาก่อนที่จะเข้าเรื่องนี่ <c oughs> เขามียกบทกรนของท่านพุทธทาสมานะหมูนกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใส ไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่นิจจศินส่วนชาวพุทธประยุกคธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยนะอันนี้ท่านก็เปรียบว่าถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยแหละเอารัดเอาเปรียบงม อยู่กับไอ้ความสุขแบบโลกริยะเนี่ยแล้วก็กืนกินกันอยู่อย่างเนี้ยนะมองไม่เห็นหรอกว่าไอ้นั่นแหละเป็นเรื่องทุกข์ไอ้นั่นแหะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเลวร้ายนะเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยยังแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่กับไอ้ลาภยศเสรเสริญสุขแบบทั่โลกนะแต่คนที่มาปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะ่ยที่เริ่มที่จะตาสว่างเริ่มจะเห็นสัจจะเริ่มที่จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงนะมันถึงจะหลุดพ้นออกมาจาก จากไอเรื่องทุกโศกที่มันวงเวียนอยู่เป็นโลกธรรมอะไรต่างอยู่อย่างนั้นนะนะถึงจะพ้นออกมาได้อันนี้ก็เป็นคำกรของท่านเพื่อทานเอาล้นะคราวนี้ต่อไปจะเริ่มเนื้อเรื่องเขาและเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลแม้นกจะไม่เห็นฟ้าปลาจะไม่เห็นน้าก็ตามแต่ถ้าปลาและนกไม่หลงตัวหลงตนไม่อวดดี เฝ้าอ่านเฝ้าวิเคราะห์ทั้งจากความเห็นของผู้อื่นและผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วแล้วเราเรารู้เป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองไม่วอกแวกตั้งใจที่จะมองเห็นฟ้าทะลุน้ำเมื่อเห็นเมื่อยิ่งมีเหตุการณ์รอบๆบข้างมาเขย่าให้เกิดความฟุ้งซ่านวันไหวนั่นก็คือเครื่องกระตุน้นที่จะให้มองเห็นฟ้าเห็นน้าได้เร็วขึ้น อันนี้ก็ขึ้นต้นมานี่พอยกคำกรท่านพุทธทาสใช่ไหมซีเนรุนี่เขาก็เอาคำกรเนี่ยมาขยายนะเมื่อทั้งนกและปลามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมองให้ชัดแจ้งในน้ำและบนฟ้าดุดหางเสือแห่งนาวาชีวิตมีสติดุดใบเรือและวิริยะเปรียบดังแรงลมแร ง, แรงลมที่พัดพาให้นาวีชีวิต พบกับสัจธรรมและแล้ววันแห่งแสงอรุณโนไทยศายสองก็ปรากฏเมื่อนั้นนกก็จะเห็นฟ้าปลาก็จะเห็นน้ำสังสารวัตของชีวิตยังคงกว้างไกลและเวิงว้างสุดภยัยศาลตราบใดที่ชีวิตนั้นๆยังไม่ยอมอ่านหรือเรียนรู้ความแท้จริงที่ปรากฏออกมาเมื่อสมใจก็รีบตะคุบ จิตใจก็ผลักไสให้ห่างแสนห่างเข็มแห่งความร่วงโรยวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วดวงชีวิตของมนุษย์เรานั้นก็ยังใช้อารมณ์เข้าตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคืออันนี้เขากำลังพูดถึงวงเวียนชีวิตนะไอความซ้ำวนของคนเราเนี่ยที่เราเนี่ยไม่พยายามรู้ว่านี่คือน้ำนี่คือฟ้านะถ้าปรามเป็นอยู่อย่างเงี้ย มันก็วนอ ย, อย่างนี้แหละมันก็ไม่ชัดเจนทักทีเพราะมันพอเวลาจะตัดสินหรือจะทําอะไรในเมื่อมันไม่รู้ว่าน้ําเป็นยังไงฟ้าเป็นยังไงเพราะฉนั้นพอตัดสินอะไรมันก็ตัดสินไปตามปลาปลานี่ยแหละ <c oughs> นะตัดสินไปตามปลาปลาที่มันอยู่ในน้ําถ้าอยู่ในน้ํากุ้นๆก็ตัดสินไปตามน้ํำคุ้นๆอ่แต่ถ้าอยู่ในน้าําใสนะเออมก็ตัดสินแบบใสๆได้ มันก็สามารถที่จะมองทะลุน้ําขึ้นไปเห็นฟ้าได้นะถ้าอยู่ในน้ําใสหรือว่าอยู่ในธรรมะนะอยู่ในข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่เข้าใจสัจจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าฟ้าเป็นยังไงนะแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นน้ําหรือว่าเป็นปลาที่อยู่ในน้ํำยังไงจะได้ไม่หลงตัวไม่หลงตนแล้วก็จะเป็นผู้ที่รู้สัจจะรู้ความจริงของชีวิตขึ้นมาวันพอเวลาตัดสินหรือว่าพิจารณาเรื่องอะไร ไม่ว่าจะเรื่องงานที่เราทำนะหรือว่าไปพิจารณาคนรอบข้างเราก็จะสรุปหรือว่าเราจะตัดสินออกมาอย่างชนิดคนที่พยายามมองตามความเป็นจริงไม่ใช่มองแบบกลุ่มขุนคืออะไรมองกลุ่มขุนคือมองแบบอารมณ์ที่เราโดนราคะผูกเอาไว้กัตามหรือว่าโดนโทส ะ, ะผูกเอาไว้กัตามหรือโดนอัตตาเมะผูกเอาไว้ก็ตามอย่างนี้มันขุน อะไรที่ทำให้น้ำนี้คุณอะไรที่ทำให้ใจคุณก็กิเลสเหล่านี้แหละ